ถามผมเห็นว่าการกำหนดอิริยาบทโดยจงใจนั่งหรือเดินจงกรมเป็นการกระทำที่ยังมีตัณหาและทิฏฐิแฝงอยู่เราน่าจะรู้อิริยาบทที่กำลังปรากฏไปเลยให้อิริยาบทแต่ละอย่างเกิดขึ้นจากความจำเป็น ไม่ใช่เกิดจากความอยากให้เป็นถ้าใครถนัดที่จะจงใจทำอิรยาบดก่อนก็ทำไปใครถนัดที่จะรู้อิรยาบด ท, ที่กาลังปรากฏไปเลยก็ทำไปใครถนัดที่จะรู้รูปก็รู้ไปใครถนัดจะรู้นามก็รู้ไปจุดหมายปลายทางของการรู้หรือการเจริญสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องเป็นอันเดียวกันทั้งสิน้น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 พอจิตเกิดปัญญาเข้าใจรูปนามแจมแจ้งอย่างนี้จิตก็หายหลงเมื่อหายหลงแล้วตัณหาก็จะเกิดไม่ได้เพราะตัณหามีรากฐานมาจากความหลงคือโมหะเมื่อตัณหาไม่เกิดทกุก็ไม่เกิดนิพพานจึงปรากฏขึ้นเพราะนิพพานก็คือความดับสนิทแห่งตัณหา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 เพราะไม่ชอบอ่านหนังสือธรรมะร่วมสมัยจึงอาจจะตีความถ้อยคำอันเป็นสมมติบัญญัติของท่านผิดแต่ไม่คิดว่าจะอธิบายสภาวะธรรมที่ท่านมุ่งหมายผิดเพราะธรรมย่อมลงเป็นเนื้อเดียวกันได้เสมอถามอยากทราบแนวทางปฏิบัติที่หลวงพ่อแนะนำอย่างสั้นๆอีกสักครั้งครับ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 จะเป็นการรู้ทันและปัญญาพัฒนาไปสู่ความรู้ถูกหรือเข้าใจถูกนี้เป็นส่วนของการรู้ถูกสิ่งที่สมต้องเรียนคือเรื่องสมุทยก็คือหัดรู้จักสภาวะของตัณหาหรือความทยานอยากของจิต6กทางได้แก่ความทยานอยากออกไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้น และใจหลวงปู่ดูลท่านย้ำบ่อยๆเรื่องอย่าส่งจิตออกนอกหมายความว่าในเวลาที่รู้อารมณ์นั้นให้สักว่ารู้อย่าให้จิตหลงกระโจนเข้าไปรู้แล้วหลงโจมแช่ยึดถือหรือหมุนเวียงไปตามอารมณ์จุดนี้จะทําให้การปฏิบัติปลอดจากตัญหาและต่อไปเมื่อจิตรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้ว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 แต่ถ้ารู้เพราะหลงก็ถือว่ารู้ผิดเช่นรู้เพราะหลงอยากจะรู้รู้แบบหลงเพ่งรู้แบบหลงคิดหรือหลงเตลดิดคือที่โอปล่อยใจเลื่อนลอยไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหล่านี้เป็นการรู้ผิดทั้งสิ้นนี้เป็นส่วนของมัดคือการรู้ทุกข์และละสมุ ท, ทยัย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 ขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการทำวิปัสสนาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ปรมาตัซึ่งเข้าใจยากเหลือเกินการปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องใช้สภาวะของจิตที่ธรมธรมดาธรรมดาไปรู้อารมณ์ที่ธรมธรมดาธรรมดาดังนี้คือ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 คือ 1. รูปภายนอกคือร่างกายของยุงเป็นธาตุเป็นปรมัตย์สองคำว่ายุงเป็นบัญญัติ 3. อาการคันเป็นปรมาตย์สี่คำว่าคันเป็นบัญญัติ 5. รูปภายในคือกายที่ถูกยุงกัดเป็นปรมัตย์หกคำว่าแขน เราเป็นมัญญัติ 7. ความโกรธเป็นปรมัติ์ 8. คำว่าโกรธเป็นมัญญัติ 9. ความอยากเป็นปรมัติ์ 10. คำว่าอยากเป็นมัญญัติ 11. อาการตบเป็นปรมัติ์ 12. คำว่าตบเป็นมัญญัติ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 การเพ่งจ้องเอาเป็นอาตายกับการรู้จนเกิดความทุกข์หรือความเครียดกันมากทีเดียวอีกคำหนึ่งคือคำว่าสมาธิในสมัยที่อาตมายังเป็นเด็กได้ทราบคำแปลว่าความตั้งมั่นแต่สมัยนี้กลายเป็นความสงบกันไปแล้วคำว่าความตั้งมั่นน่าจะตรงกับสภาวะของสัมมาสมาธิ